นโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรมมังสังขังนัมัสสมิอคาน้วันนี้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาอันได้แก่บริษัท The i ไอคอน v อ r t i s i n ทจชุมนุมพุทธ โรงพยาบาลบุรีรัมโรงพยาบาลชัยภูมิชมรมเพื่อนคุณธรรมบริษั s, ท p c s Machine Thailand ตลอดทั้งบุคคลผู้มีจิตศรัทธาเช่นคุณวรรณารามณชัยภริยาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิตลอดจนชาวบ้านบ้านใหม่ไทยเจริญ และสาธุชนจากหลายท้องที่ทั้งใกล้และไกลได้ร่วมมาทอดกระถินสามคัคคนะีที่วัดป่าสุกโตและในโอกาสเดียวกันนั้นนะก็มีคุณวิชาและคุณแจ้าภ ร, รยาผู้เป็นภ ร, รยาและสาธุชนอีกหลายท่านได้มาร่วมกันถวายผ้าป่าเพื่อสมทบส่วนแห่งกองบุญนี้ อันการทอดผ้าป่าก็ดีทอดกะถินก็ดีจะว่าไปแล้วก็เหมือนเปรียบเหมือนกับพี่และน้องนะเพราะว่าถ้าพูดถึงประวัติความเป็นมาแล้วผ้าป่านั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ตามมาด้วยการทอดกะถินที่ให้ที่เรียกว่าผ้าป่าก็เพราะว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยพระพิสูจน์ในสมัยพุทธกาล เมื่อ <breakdown> ต้องการจีวรก็ต้องไปเก็บเอาตามตามป่าหรือว่าตามสุสานป่าช้าก็อาศัยผ้าเก็บศพนี่แหละมาเย็บเป็นจีวรหรือไม่เช่นนั้นก็เก็บเอาจากกองขยะในสมัยก่อนเนี่ยการที่จะได้ผ้ามาผืนนึงเป็นเรื่องที่ยากมากก็มีผู้ มีจิตศรัทธาอยากจะสงเคราะห์อยากจะอนุเคราะห์พระคุณเจ้าก็เลยเอาผ้าเนี่ยไปทิ้งไว้ในป่าเพื่อให้พระได้ชักเรียกว่าชักนะชักผ้าเนี่ยสำหรับมาทำเป็นจิวอก็มีเรื่องเล่าว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เริ่มมาจากพระอนุรุทธะ พระนุรุทธานี่ท่านเป็นพระยาของพระพุทธเจ้าได้ได้ออกบวชพร้อมๆกับพระอานนท์แล้วก็พระเทวทัตในพรรษาประมาณพรรษากอดพรรษาที่สองของพระพุทธเจ้าพระนุรุทธาเนี่ยเดิมเนี่ยตอนที่เป็นเจ้าชายก็มีชีวิตที่สะดวกสบายมาก ไม่รู้จักคําว่าไม่มีอยากได้อะไรนี่ก็ได้ตลอดขออะไรจากพระพระมารดาก็ได้ไม่เคยขาดไม่เคยรู้แม้กระทั่งว่าข้าวนี่มาจากไหนเพราะว่าเวลาเห็นข้าวก็เห็นมันอยู่ในจานอยู่แล้ ว, ควเคยมีคนถามพระอนุรุท ธ, ธะแล้วก็เพื่อนคือพระพัติยะพระกิมพิละสามคนนี้เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกัน ถามว่าข้าวมาจากไหนพระพัิยะบอกว่าข้าวมาจากฉางนะพระกิมพิลาบอกข้าวเนี่ยมาจากหม้อพระนุรุธันนีหนักกว่านั้นบอกข้าวเนี่ยมาจากชามนะมาจากจานถ้าสมัยนี้ก็อาหารมาจากไหนก็มาจากเซเว่นนะรุเหมือนกันเลยนะอาหารมาจากเซเว่นน้ามาจากก๊อกนะพระนุทธันเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ ข้าวมาจากไหนข้าวมาจากจานนะเพราะเวลาเห็นข้าวคือมันอยู่ในจานแะล้วแต่เมื่อท่านออกบวชนะท่านก็บำเพ็ญทุดดงขวัตในหลายข้ออย่างเข้มงวดมากโดยเฉพาะการบินทบาตนะฉันมือเดียวรวมทั้งการไม่นอนนะเรียกว่าเนศชิกแล้วก็รวมทั้งการเก็บผ้าตามป่าช้า แล้วก็ขยะถุงทังเรียกว่ากองขยะ<ๆ>เพื่อมาทำเป็นจีวร<ๆ>ก็มีเทวดานะเป็นเทพธิธดาเนี่ยอยากจะอนุเคราะห์ท่าน<ๆ>ก็เลยเอาผ้าเนี่ยนะไปซ่อนไว้นะในกองขยะแล้วก็มีชายผ้า อ, อโพมานิดหน่อยตรงจุดที่พระอนุรุธทธานเนี่ยจะเดินผ่านมาพอท่านเห็นท่านก็ชักผ้านั้นนะ แล้วก็ามาเย็บมาย้อมเป็นจีวร อ, อันนี้จึงเป็นที่หมายคาว่าชักผ้าป่านะหรือชักผ้าบังสุกุลนะสมัยก่อนนี่ชักจริงๆนะก็คือดึงมาเลยจากกองขยะและผ้าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นผ้าผืนเดียวนะยังเอามาห่มเอามาคล้องไม่ได้ก็ต้องมีการตัดมีการเย็บแล้วก็ย้อมอีกทีหนึ่งปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทราบความเนี่ย ว่าพระ อ, อนุรุธาได้ผ้ามาผืนนึงก็เลยเรียกสงฆ์หมู่สงฆ์มาแล้วก็ช่วยกันนะช่วยกันทําผ้าผืนนี้เนี่ยให้กลายเป็นจีวรพระพุทธเจ้าทําหน้าที่ทําทหน้าที่สนเข็มส่วนพระมากระสปะพระสายฤบุตรพระอานนท์ก็ทําหน้าที่ช่วยตัดช่วยช่วยเย็บและผ้าที่เหลือก็ทําหน้าที่กรอได้แล้วก็เพื่อใช้ในการเย็บผ้า เรียกว่าเป็นงานใหญ่นะของคณะสงฆ์ตอนนั้นเลยก็เป็นอันว่าภายในวันเดียวหรือว่าไม่ช้าไม่นานนะก็ได้ผ้ามาเพื่อให้พระอนุรุท ธ, ธาได้สวมใส่ได้ครองนี่คือที่มาของผ้าป่าแล้วก็เป็นที่มาของกระถินเพราะว่ากระถินเนี่ยสมัยก่อนก็แบบนี้จริงๆนะัคือว่าผ้าที่ถวายกับสงฆ์เนี่ยเป็นผ้าผืนเดียว ยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นจีวรสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้ผ้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องให้แกสงสงมอบให้พรารูปใดรูปหนึ่งแล้วพรารูปนั้นเนี่ยก็จะต้องหาทางที่จะตัดเย็บย้อมให้เสร็จนะภายในหนึ่งวัน <c oughs> ตรงนี้แหละนากกายเป็นงานใหญ่เลยนะในสายพุทธการพระพุทธเจ้าเอยพระอานนท์พระสายฤบษีพระโมคะรานนะก็ ต้องช่วยกันนะเพื่อที่จะทำให้ผ้าผืนนั้นเนี่ยจะเป็นสบงก็ดีจะเป็นจีวรก็ดีเนะี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นภายในวันนั้นหรือภายในคืนนั้นนะอันนี้แหละนะกระถินเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะคราวนี้เนี่ยกระถินเนี่ยกับผ้าป่าเนี่ยก็มีความต่างกันความเหมือนก็มีนะัคือเป็นสังกฐานเหมือนกันแต่ความต่างก็คือว่า ภาคถิ่นนั่นเนี่ยเรียกว่าการละทานหมายความว่าเป็นทานที่ทำได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่เหมือนสังกัานสังกัานนี้ทำได้ตลอดทั้งปีไม่มีการเลือกวันเวลาแต่ว่าการทอดกถิ่นนั้นเนี่ยหรือการถอยภาคกรถินเนี่ยทำได้เพียงแค่ภายใน30สิวันหลังจากออกพรรษาแล้วก็สิ้นสุดในวันลอยกระทงนอกจากมีเวลาที่จำกัดแล้วก็ยังมี ข้อจำกัดอีกข้อนึงก็คือว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยรับกระถินได้เพียงแค่ครั้งเดียวในหนึ่งปีจะรับสองครั้งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยาบางแห่งนะวัดที่มีญาติโยมสาวรุชนนับถือมากเนี่ยก็จะมีคนมาต่อคิวขอเป็นเจ้าภาพกระถินเนี่ยยาวเหยียดไม่ใช่แค่สิบปีบางทีร้อยปี วัดบางวันนี่300ปีนะกว่าจะทอดได้ประมาณ2008นะวัดวัดปักน้ำเนี่ยนะบางพวกที่อยู่ท้ายๆเนี่ยประมาณปี2008ถึงจะได้ทอดนะแต่ว่าวัดป่าสุโกโตแล้วก็อีกหลายวัดเนี่ยเราเปิดให้เป็นภาพป่าสามคัคคีกระถินสามคัคคีเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนึงก็จะมีเจ้าภาพหลายเจ้าภาพเนี่ยมาร่วมกันทอดกรถินได้นะไม่ต้อง รอคิวในปีต่อๆไปก็ได้เคยกล่าวหลายครั้งนะว่าการทอดกระถินเนวัตถุประสงค์สำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงเพื่ออนุเคราะห์พระคุณเจ้าเพื่อให้ได้ผ้ามาใช้ในการาาครองสวมใส่เท่านั้นวัตถุประสงค์ที่มาเป็นกวนั่นก็คือเป็นการเชิดชูและสนับสนุนธรรมะ โดยเพราะสามัคคีธรรมและเป็นสามัคคีธรรมของหมู่สงฆ์ที่ว่าเชิดชูก็เพราะว่าภากรถินนั่นเนี่ยนะจะถวายได้ก็แต่เฉพาะวัดนะที่มีพระมาจำพรรษาไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามครบท้วนสามเดือน และพระนั้นเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็มีความสมัคคีกันมากพอที่จะมีความเห็นเป็นเอกฉันนว่าจะมอบจีวรให้กับพิสูรรูปใดรูปหนึ่งเพราะว่าความเห็นเรื่องนี้ต้องเป็นเอกฉันไม่ใช่เสียงข้างมากต้องเป็นเอกฉันค้านไม่ได้แม้แต่1เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยพระที่จะสามารถจะทำพิธีกรรมนี้ให้รุล่วงไปได้เนี่ยต้องมีความสมัคคีกันในระดับหนึ่งนะหลังจากที่ได้จับมารสาร่วมกันมา3าเดือน แม้ว่าจะมีความเห็นที่ต่างกันนะแต่ว่าก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแล้วก็สามารถที่จะมีใจมีความพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวที่จะมอบผ้านั้นเนี่ยให้กับทิ่สุรรูปใดรูปหนึ่งซึ่งถือว่ามีอ่าสติปัญญาหรือมีองค์คุณเหมาะกับการที่จะได้รับผ้ากรถินนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นการเชิดชูนะ สามัคคีทางของพระสงฆ์และขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมด้วยเพราะว่าเมื่อพระได้ผ้ากรถินมาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ต้องมาร่วมกันทําผ้านั้นเนี่ยให้เป็นจีวรที่สามารถจะครองได้ก็ต้องใช้ความร่วมมือกันอย่างที่ได้กล่าวมาเป็นตัวอย่างนะซึ่งมีพระพุทธเจา้าเนี่ยทรงเป็นแบบอย่างแล้วก็มีพระอรหันต์ในสามพธการเนี่ยได้มีส่วนร่วมแต่สมัยนี้ ภารกิจตรงนี้ก็ลดน้อยลงเพราะว่าผ้าที่ถวายเป็นผ้าสําเร็จรูปก็สามารถจะใช้ครองได้เลยแต่ก็ยังถือว่าคุณค่าของประเพณีนี้ในทางที่สนับสนุนความสมัครคีก็ยังมีอยู่แต่ครั้นี้จะไม่ใช่แค่ ส, ส่งเสริมความสมัคคีของพระสงฆ์เท่านั้นแต่ว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมความสมัคคีของญาติโยมคําว่าพ ร, าปประป่าสมัคคีก็บอกในตัวอยู่แล้วว่า จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสามัคคีของญาติโยมซึ่งบางทีก็อาจจะหลายเจ้าก็อาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ก็มาพร้อมใจกันในวันนี้นะและก็อย่างที่ได้เห็นนะว่าการที่การงานนี้จะสําเร็จได้นี่ต้องอาศัยความสามัคคีกันมากมายนะเจ้าภาพแต่ละเจ้านี้ก็ต้องไปรวบรวมนะปัจจัยจากมิตสหายแล้วก็ชักชวนกันมา ขณะเดียวกันก็มีผู้มีศรัทธาอีกหลายท่านก็ต้องการมีส่วนร่วมก็จัดโรงทานหรือว่าจัดของมาถวายอันนี้ก็เป็นความสมัคคีนะที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากางานบุญนี้อันที่จริงสมัยก่อนเนี่ยนะความสมัคคีเนี่ยในงานนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นมากเพราะว่า การทอกรถินถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นจุลกรถินนะถ้าเป็นจุลกรถินเนี่ยหรือว่ากระถินที่ต้องทําให้สําเร็จภายในวันเดียวเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะไ ม, ไม่ไม่ตรงกับชื่อว่าจุลละคือแปลว่าน้อยนะเพราะว่าถ้าเป็นจุลกรถินนี่นะจะต้องเริ่มตั้งแต่ไปปั่นได้อาปั่นฝ้ายไปที่ไล่นะปั่นฝ้ายแล้วกรอได้กรอได้เสร็จทอผ้าทอผ้าเสร็จก็มามาเย็บเอามาย้อม ยอมเสร็จมาเย็บเย็บแล้วก็ยอมแล้วตัดตัดแล้วเย็บนะให้เสร็จภายในวันเดียวเริ่มตั้งแต่นะปั่นฝ้ายเลยนะกรอด้าแล้วทอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ความสมัครใกันมากทีเดียวอาจจะดูชลมบุญกันเล็กน้อยนะแต่ว่าเมื่อทำสำเร็จนะก็กลายเป็นความสมัครในะซึ่งอ่ ก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการท่อกรถิน่นอันนี้ก็ทําให้งานท่อกระถิ่นเป็นงานที่สําคัญนะสำคัญที่สุดก็ว่าได้ในในในบรรดาการทําบุญประเภททานนะสังกทานทั้งหลายเนี่ยก็เรียกเรียกว่างานท่อกรถิ่นนี่เป็นเป็นยอดของสังกทานเลยนะเพราะว่าต้องใช้ความร่วมมือร่ว ม, มใจกันมาก แล้วก็ทําได้เฉพาะ30บวันหลังออกพรรษาแล้วก็วัดหนึ่งทําได้ครั้งเดียวใน1ปีนะคราวนี้เนี่ยในเรื่องของอาการให้ทานนี้ก็ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าเป็นเรื่องสําคัญนะของชาวพุทธเพราะว่าการให้ทานเนี่ยไม่ว่าในรูปของผ้าป่ากรถินหรือว่าการให้ทานในลักษณะทั่วไปเช่นการใส่บาตรพระ หรือว่าแม้กระทั่งการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้เดือดร้อนด้วยทรัพย์สมบัติด้วยเงินทองเนี่ยถือว่าเป็นการทําความดีที่สําคัญนะและการทําความดีที่ในรูปของทานเนี่ยนะก็ย่อมมีอา น, นิสงส์มากอา น, นิสงส์นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะบังเกิดขึ้นในเฉพาะชาติหน้าหรือสามประเพณแต่ว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในชาตินี้นะเช่นทําให้เกิดความสุขความเจริญนะ หรือว่าทําให้เกิดความมั่งมีสีสุขความสุขความเจริญนั้นเนี่ยหรือความความมั่งมีสีสุขเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ น, นะการให้ทานเนี่ยถ้าเป็นการทําด้วยความเมตตาก็จะทําให้เกิดความร่มเย็นได้คนไทยสมัยก่อนนะก็มีความเอื้อเฟื้อกันมากนะนอกจากการให้ทานกับพระ ทุกวันแล้วเนี่ยก็ยังมีการให้ทานหรือมีความเมตตากันเป็นประจำด้วยอดีตเจ้อาอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อพระโพธิรังสีท่านเคยกล่าวว่าสมัยตอนที่ท่านเป็นเด็กที่บ้านในหมู่บ้านท่านเนี่ยชาวบ้านผงข้าวหรือทํากับข้าวแค่อย่างเดียว แต่ว่ามีกินมากมายเลยนะทุกวันเลยแต่ทุกบ้านเนี่ยทาข้าวทำกับข้าวแค่อย่างเดียวทำไมถึงมีกินมากมายก็เพราะว่าแต่ละบ้านก็เหมือนกันเขาทำข้าวอย่างเดียวแต่ว่าเขาเอามาแบ่งกันเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งได้มีมีข้าวหลายชนิดมากหลวงพ่อปัญญาณันทะท่านก็เล่า ว, ว่าสมัยก่อนตอนที่ท่านเป็นเด็กที่เด็กชายปันเนี่ยถ้าเลาว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านรู้สึกเบื่อมากนะก็คือ การที่พ่อแม่เนี่ยเรียกท่านให้เอาอาหารเอาขนมเนี่ยไปแจกเพื่อนบ้านไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีอาทิตย์ละวันนะบางทีอาทิตย์หนึหลายวันเพราะชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาได้อาหารมาบางทีได้เนื้อได้ปลามาหรือได้ทุเรียนมาเขาก็จะไม่ได้กินกันเองเขาจะขึ้นหม้อเป็นหม้อใหญ่เลยนะแล้วก็ไปเพื่อจะแบ่งให้บ้านอื่น ได้กินบ้างแล้วก็เป็นหน้าที่ของเด็กชายปั่นนี่แหละที่ต้องเอาอาหารเราเนี่ยไปแจกเพื่อนบ้านบางทีเด็กชายปั่นกำลังเล่นอยู่พ่อก็เรียกแม่ก็เรียกว่าเอาเอาขนมไปแจกบ้านไปแจกเพื่อนบ้านซะนะเพื่อนบ้านก็เหมือนกันนะเวลามีอะไรก็มาแจกเอามามอบเอามาให้ให้กับครอบครัวของท่านวิธีนี้แหละที่ทาให้หมู่บ้านอยู่กันอย่างสงบสุขนะ เป็นความสงบสุขที่เกิดจากความเอื้อเฟือ้อความเจือจาญความเมตตาซึ่งมีการให้ทานเป็นตัวประสานถ้าเราว่าเด็กชายหลวงพ่อปัญญาเราว่าสมัยนั้นเนี่ยมีการขโมยบัวขโมยควายมากนะเพราะว่าถือว่าเป็นเกมกีฬายอย่างหนึ่งคนภาคใต้นี่เขาเขามีคติว่าถ้าขโมยควายไม่เป็นนี่ไม่ยกลูกสาวให้นะเพราะถือว่าถ้าต้องถ้าขโมยควายเป็นก็จะรู้ว่า จะรักษาวัวควายไม่ให้ถูกขโมยได้อย่างไรนั้นก็เป็นเกณฑ์กีฬาแบบหนึ่งนะคุ้นแผนนี่ก็งานอดิเรกคือไปป้นวัวป้นควายมาอันนี้ไปป้นวัวปนวพอชาวบ้านเนี่ยถูกขโมยวัวขโมยควายเนี่ยก็มักจะได้คืนนะเพราะว่าก็จะขอให้พ่อของหลวงพ่อปัญญาเนี่แหละเด็กชายปั่นนี่แหละช่วยไปไปตามวัวตามควายให้หน่อยแล้วท่านก็รู้ว่าใครเอาไป แล้วก็มักจะได้คืนเพราะว่าไอ้คนที่เอาไปนี่ก็ก็เคยได้ข้าวได้ขนมจากท่านอยู่ประจำนะเพราะนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็อยู่กันอย่างสงบสุขเพราะความเอื้อเฟื้อความเจือจาหรือการให้ทานอย่าง้วก็ตามการทำความดีเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ทานนะมันมีศีลด้วยศี น, นี่แล้วก็เป็นการทำความดีขั้นพื้นฐานที่สาคัญมาก ทธศีลนี่ก็ไปส่งเสริมทานนะเพราะว่าเวลาเราทําบุญให้ทานเนี่ยเราก็อยากได้อันนี้สองแห่งบุญได้เยอะหลายคนไปเข้าใจว่าถ้าไปทําบุญกับพระอระหันต์พระริยาเจ้านี่จะได้บุญมากอันนั้นก็มีส่วนจริงอยู่แต่ว่าบุญจะน้อยหรือมากยังขึ้นอยู่กับศีลของผู้ให้ด้วยเช่นถ้าหากว่านายกนเนี่ยไปทําบุญกับ พระอรหันต์แต่ว่าเป็นคนที่ทุศีลเป็นคนที่รักขมโมยเป็นเจ้าพ่อเป็นมือปืนนะบุญที่ได้จะน้อยต่างกับคนซึ่งมีศีล น, นะมีศีลศีลห้าครบนะถึงแม้ไปทาบุญกับกับพระที่เป็นปุถุชนธรรมดาบุญที่ได้อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะบุญนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้รับเท่านั้นยังขึ้นอยู่กับผู้ให้ว่ามีศีลมากน้อยเพียงใด เพราะนั่นเนี่ยเวลาเราต้องการอัอนที่สองของบุญเนี่ยนะก็อย่าอย่าเน้นแต่เรื่องการให้ทานเท่านั้นแต่ว่าก็ต้องรักษาศีลด้วยตอนนี้เมื่อเราให้ทานรักษาศีลหรือว่าพูดรวมๆคุมๆกว้างๆคือว่าเราทาความดีก็จะช่วยปกป้องชีวิตไม่ให้ประสบอันตรายความดีหรือ บ, บุญเนี่ยมันเป็นเป็นเสมือนกำแพงที่สามารถที่จะปกป้องอันตราย ไม่ให้มาเาผ่านไม่ให้มาเเ้วผ่านได้เมื่อเราให้ทานเมื่อเรารักษาศีล น, นะอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราก็จะน้อยลงยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านอย่างที่อาตมาเล่าเนี่ยหมู่บ้านที่เขามีชาวบ้านมีความเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลกันก็จะมีความมั่นคงมีความปลอดภยัยมีจนขโมยก็น้อยหรือแม้ในกรุงเทพหมู่บ้านบ้านจัดสรรใดก็ตามที่สมาชิกมีความเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลมีการให้ทานมีอะไรก็มาแบ่งกัน การจะถูกรบกวนด้วยโจร น, นะก็จะน้อยลงจะมีโจรขึ้นบ้านก็ยากเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเป็นหูเป็นตาสิ่งที่จะป้องกันขโ ม, มยเนี่ยไม่ใช่กำแพงแล้วคนไม่ค่อยจะว่ากำแพงเนี่ยจะป้องกันขโ ม, มยได้จริงๆสิ่งที่ป้องกันขโ ม, มยได้ดีสุดก็คือหูตาของเพื่อนบ้านซึ่งมีความรักความผูกพัน และที่มีความรับความผูกพันก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีความเอื้อเฟื้อมีมัใจมีการให้ทานแก่กันและกันนะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะรักษาชีวิตของเราให้ปลอดภัยอันตรายไม่แผ่วผ่านเช่นโจรขโมยหรือว่าอุบัติเหตุเอาเพียงแค่ว่าเรารักษาศีลห้าไม่กินเหล้าอย่างเดียวนี่ไอ้การที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะรถชนกัน เพราะว่าเ ม, มาไม่รถชนสาไฟฟ้าตกคูหรือว่าไปชนคนอื่นเข้าเนี่ยโอกาสแบบนี้ก็น้อยลงการที่จะทะเลาะบอกแว้งกันภายในครอบครัวตบตีสามีภรรยาหรือว่าทำร้ายลูกจนกระทั่งครอบครัวแตกแยกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าพอม่เ ม, มาไม่แล้วก็ทาขยันขันแข็งในการทางานลา ง, งานน้อยนะ มีความภาคเพียรในการประกอบอาชีพความสุขความเจริญก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะอันนี้จะได้มาเพียงแค่รักษาศีล5ข้อเดียวนะไอ้ความมั่งมีสีสุขหรือความความเจริญในพวกทรัพย์ก็เกิดขึ้นรวมทั้งอันตรายที่จะแพ้พ า, านเช่นมีคนเกลียดชังมีคนทำร้ายนะก็ไม่มีเพราะไม่เมาไมาเพาะไม่ไปขโมยเขาเพราะไม่ไปรบกวนใครเพราะไม่ไปไปไ ป, ไปลักลอบนะ นอกใจใครนะแค่รักษาศีล5ข้อครบเนี่ยเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการทำความดีเนี่ยมันเป็นเสมือนกำแพงที่จะช่วยปกป้องอันตรายได้แต่อย่างไรก็ตามนะกำแพงแห่งบุญกาแพงแห่งความดีเนี่ยมันไม่สามารถจะป้องกันอันตรายได้ครบทั่ว 100% มันก็ป้องกันได้อย่างมากก็ 80% 90% มันก็จะยังมีความทุกข์หรือปัญหาอีกส0ที่สามารถจะข้ามกำแพงนั้นหรือลอดใต้กำแพงนั้นเนี่ยมาถึงตัวเราได้แล้วบางทีเราไปเข้าใจบางคนบางคนไปเข้าใจว่าทําความดีทําบุญให้ทานแล้วเนี่ยชีวิตจะราบลื่นไปหมดอันนั้นก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าความพัดพลาดสูญเสียก็ดีความแก่ก็ดี ความเจ็บป่วยก็ดีให้พวกนี้เป็นสิ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนทุกยุคทุกสมัยเกิดขึ้นกับทั้งคนชั่วและคนดีเกิดขึ้นทั้งกับโยมและเกิดขึ้นกับทั้งกับพระมันมีความทุกข์หลายอย่างมันมีอุปสรรคหลายอย่างที่ไม่ว่าจะทําดีแค่ไหนก็ต้องเจออยู่วันยังค่ํายกตัวอย่างเช่นเทตมาเล่านะความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพลาดสูญเสีย ทำความดีแค่ไหนนะก็ต้องก็ต้องพูดความจริงว่าสักวันหนึ่งคนรักของเราเช่นพ่อเช่นแม่เช่นสามีภรรยาหรือแม้กระทั่งลูกก็อาจมีอันเป็นไปนะทำความดีแค่ไหนก็อาจจะต้องประสบกับการถูกต่อว่าด่าทอติฉินนินทาทำความดีแค่ไหนก็อาจจะประสบอุปัติเหตุนะเศรษฐกิจตกต่านะ ธุรกิจก็เลยลมละลายบ้านถูกยึดนะหรือว่ารถถูกยึดอันนี้มันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนดีคนที่มีศีลมีธรรมนะปัญหาคือว่าทําอย่างไรเราจึงจะไม่ทุกข์ทอย่างไรเราจึงจะมีความสุขได้แม้เจอเหตุการณ์แบบนี้มีคนหนึ่งก็พูดไว้ดีนะเขาบอกว่าความสุขเนี่ยไม่ได้หมายถึงการที่ไม่มีปัญหา แต่หมายถึงว่าเราจะจัดการกับปัญหาอย่างไรถ้าคนถ้าเราไปเข้าใจความสุขคือการที่ไม่มีปัญหาชีวิตที่ราบลรื่นเหมือนกับปู ด, ด้วยพรมแดงหรือว่าดอกกุหลาบเนี่ยอันนี้เราจะไม่มีทางพบความสุขได้เลยเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหวังว่าความสุขนะคือชีวิตที่ไรป้ปัญหาปัญหามันต้องมีอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับปัญหาอย่างไรถ้าเราสามารถที่จะจัดการกับปัญหาได้มันก็ไม่สามารถจะมารบกวนจิตใจเราได้อีกเราจะจัดการกับปัญหาได้อย่างไรนะอย่างแรกที่ต้องทำก็คือการทำใจนะก็คือเมื่อปัญหาเกิดขึ้นนะเราไม่บน่นไม่ตีโพยตีภายเรายอมรับความจริงเช่นเมื่อเจ็บป่วย เราก็ไม่บ่นตีโพยตีพายว่าทําไมต้องเป็นชั้นนะบางทีเงินหายถูกโกงก็ไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเพราะว่าการบ่นตีโพยตีพายนั้นไม่ช่วยอะไรเลยแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องมองไปข้างหน้าแล้วเราจะแก้ปัญญ์แก้ปัญหาอย่างไรนะการยอมรับความจริงนะไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายสําคัญมาก นะแล้วถ้าเราสามารถจะทำได้มากมากกว่า น, นั้นคือเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นธรรมดาโลกนะไม่มีใครที่ไม่เจอไม่มีใครที่ไม่ประสบกับปัญหาเหล่านี้มันเป็นธรรมดาโลกนะพระเรียกว่าโลกธรรมมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสารเสริญก็ต้องเจอนินทามีสุขแล้วก็ต้องเจอทุกข์ เกิดมาแล้วต้องหนีความแก่ความเจ็บความป่วยความตายไม่พ้นความพลับพล่าสูญเสียก็เช่นเดียวกันถ้าเราเปิดใจยอมรับความจริงอย่างนี้ว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเราก็จะอยู่ร้อนนอนทุกข์หรือว่ากลุ่มอกกุ้มใจน้อยลงมีบทพิจารณานะที่พระแล้วก็ยอดโยมที่นี่สวดเป็นประจำนะคือบททิเชื่ออภินทะปัจเว เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นท้าว่ายาดโยมนะพิจารณาธรร ม, มสี่ประการนี้อยู่สม่ำเสมอเนี่ย <c oughs> ก็จะค่อยๆเห็นค่อยๆตระหนักว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเรา ท, ทั้งที่เราทําความดีสร้างบุญกุศลแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมดาโลกนะอย่าไปบ่นว่าบุญไม่รักษาธรรมะไม่คุ้มครองจริงๆบุญยังรักษาธรรมะยังคุ้มครองนะถ้าหากว่าเราเข้าใจหรือเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาใจเราก็ไม่ทุกเวลาเจ็บป่วยแทนที่จะบ่นว่าทําไมต้องเป็นชั้นเราก็กลับมองว่าทําไมจะเป็นชั้นไม่ได้ เพราะใครๆเขาก็ป่วยกันใครๆเขาก็เจ็บกันทั้งนั้นคนหนึ่งก็เจ็บเราจะพิเศษไปกว่าคนอื่นได้อย่างไรเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะเจ็บป่วยถึงแม้จะเป็นมะเร็งนะเราก็ไม่ทุรนทุรายไม่ตีโพยตีพายตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสงบเย็นในจิตใจกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยนะยิ่งถ้าเราเห็นความจริงว่านะ มันเป็นธรรมดาโลกนะมันเป็นธรรมดาของสังขารความจริงที่ว่าเนี่ยนะนอกจากโลกธรรม8แล้วเนี่ยบางทีมันก็มาในรูปของไตรลักษณนนิจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเข้าใจความจริงเช่นนี้เนี่ยนะเวลาเจ็บป่วยเราก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยนะอันนี้คือวิธีการสำคัญมากในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้กับจิตใจของเราแม่เจ็บป่วยหลวงพ่อคำเขียนทั่นก็เป็นเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราแล้วก็ลูกศิษย์ได้ในเรื่องนี้ตั้งแต่การป่วยหนักครั้งที่แล้วเมื่อ8ปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงการป่วยหนักครั้งสุดท้ายนะเมื่อในปีนี้นะตอนที่ท่านป่วยหนักครั้งก่อนนั้นเนี่ยนะท่านอยู่ในห้อง ICU แล้วก็มีญาติโยมนะหลายคน มายืน อ, อ๋อยู่ที่หน้าห้องมองไปมองผ่านกระจกบางคนก็ร้องโหมร้องไห้ท่านก็บอกชี้ไปที่ลูกท่านก็บอกลูกศิษย์ที่ดูแลท่านว่าคนเหล่านั้นเนี่ยป่วยกันทั้งนั้นเลยนะแต่ท่านไม่ป่วยนะคนที่อยู่ข้างนอก น, นี่ป่วยกันทั้งนั้นเลยท่านไม่ป่วยแล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปห่วงหลวงพ่อเลยนะห่วงพวกเธอดีกว่า เพราะว่าพวกเธอเนี่ยหรือพวกโยมเนี่ยพวกหนูทั้งหลายเนี่ยยังทุกอยู่หลวงพ่อไม่ทุกด้วยหลวงพ่อท่านพูดด้วยซ้ําว่าตอนที่ท่านป่วยเนี่ยท่านอยู่แบบสบายมากนะเพราะว่ามีคนทําให้หมดเลยท่านไม่ต้องทําอะไรเลยท่อยู่ว่านี่ท่านยังทํำนู่นทํานี่บ้างอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแม้กระทั่งจีวอก็มีคนซักให้ท่านบอกสบายมากอยู่อยู่สบายจริงๆและท่านก็แนะนำนะคนที่ป่วยว่าเนี่ย เวลาป่วยนี่ไม่ต้องทำอะไรหรอกนะแค่ดูไตลักมันแสดงตัวก็พอแล้วแค่ดูตายลักมันแสดงตัวนะมันจะโชว์ให้เราเห็นนี่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะว่าเออเราป่วยนะไตลักมันกําลังแสดงตัวให้กับเราไตาลักมันกำลังสอนเราก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคนที่เห็นไตลักแสดงตัวแล้วก็เข้าใจว่าเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นใตรักอันนิดจังทุกขันาตาก็จะไม่ป่วยใจนะกายป่วยก็เป็นเรื่องของหมอไปแต่ใจป่วยไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเห็นความจริงนะคือหรือว่าเห็นสัจธรรมเห็นถ้าเราเนี่ยไม่เพียงแต่ทำความดีให้ทารักษาศีลแต่เราพยายามที่จะเปิดใจให้เห็นความจริง เริ่มจากการยอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วความเจ็บความป่วยความสูญเสียความล้มเหลวเราไม่ตีโพยตีภายและเรามองให้ลึกต่อไปว่านี่นี่คือสัจธรรมนี่คือพระไตรลักษณ์ที่กําลังแสดงตัวให้เราเห็นเขามาสอนเรานะเรื่องอ น, นิจจังทุกขังนัตตาหรือมาสอนให้เราหเห็นว่านี่รูปกับนามเป็นอย่างนี้เองนะรูปกับนามมันไม่เที่ยงมันไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้อย่างที่หลวงพ่อท่านพูดเสมอว่านี่ เมื่อดูไปดูไปก็จะเห็นว่ารูปกั น, นามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะไอ้สิ่งที่ป่วยเนี่ยมันก็คือรูปป่วยแต่ใจไม่ได้ป่วยด้วยไอ้ที่เจ็บเนี่ยคือรูปมันเจ็บมันมีเวทนาแต่ว่าความรู้สึกว่าฉันเจ็บนี่ไม่มีเพราะว่าสามารถจะมองเห็นกายมองเห็นรูปนามตามความเป็นจริงหรือมองเห็นความจริงของรูปและนามของกายและใจคนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่เห็นความจริงของรูปนามไม่เห็นความจริงของกายและใจนะเห็นแต่ความลวงเห็นความลวงของกายและใจเห็นยังไงก็คือเห็นว่ากายเป็นของเราไปสาคัญมันหมายว่ากายเป็นของเราใจเป็นของเราอันนี้คือความลวงอันนี้คือมายาแต่ถ้าเราพิจารณานะเราจนกทั่งเราเห็นความจริงของกายและใจหรือที่หลวงพ่อท่านได้พูดเมื่อวานนี้นะจากคลิปจากวิดีโอเห็นรูปนามเห็นกายใจตามความเป็นจริงนะ ไม่ใช่ตามความอยากถ้าเห็นตามความอยากก็จะไปยึดมันมาเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าเห็นตามความจริงก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็จะรู้ว่าเราเป็นอะไรกับอะไรไม่ได้เลยไม่สามารถจะเป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจรูปกับนามได้คือไปเป็นไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้าเห็นความจริงแบบนี้เนี่ยนะไอ้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากความสูญเสียมันก็น้อยลงไม่ว่าจะสูญเสียทรัพย์หรือว่าความเจ็บความป่วย เพระเบื้องลึกของความเศร้าเสียใจเมื่อเกิดความสูญเสียเมื่อเกิดความเจ็บปวดคือความไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเรามันเป็นของเราทรัพย์สมบัติเป็นของเรามันเป็นของคนอื่นไปแล้วมันหายไปแล้วหรือถูกยึดไปแล้วเราก็ยังเสียใจเพราะยังหวงแหนอยู่ร่างกายเนี่ยก็ยังไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งทังที่มันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันแก่มันเจ็บมันป่วยเมื่อเราได้เห็นความจริงนะ ในทางตรงข้ามนะว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะอยู่กับความเจ็บความป่วยได้สามารถอยู่กับความทุกข์อยู่กับความสูญเสียได้โดยที่ใจไม่ทุกข์เมื่อเห็นตรงนี้เนี่ยก็จะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาหลวงพ่อตอนที่ท่านจะป่วยหนาและใกล้จำร้อนหน้าภาพท่านก็เขียนไว้เป็นบันทึกว่า ตัทตาความตายเป็นเช่นนั้นเองนะความตายเป็นเช่นนั้นเองก็คือความตายเป็นธรรมดาอย่าไปเสียใจอะไรนะเมื่อถึงเวลาเหตุปัจจัยมาถึงพร้อมก็ก็ต้องตายมันเป็นเช่นนั้นเองความตายไม่ใช่ปัญหาไอ้ความกลัวตายต่างหากที่เป็นปัญหาความยึดติดในร่างกายนี้หวังว่าจะไม่ตายเนี่ยคือปัญหาฉั้นถ้าเราเห็นความจริงเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่ปัญหาแล้วมันเป็นธรรมดา นะเมื่อเป็นธรรมดากม็มีอะไรที่ต้องทุกร้อนนะอันนี้หละคืออา น, นิสงส์ของการเห็นความจริงนะที่เราเพึ่งจะใส่ใจด้วยหรือถ้ายังเห็นความจริงอย่างที่ว่าม า, มาไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันต้องอาศัยการพิจารณาอย่างลึกซึ้งก็เห็นความจริงระดับพื้นผิวก็ได้ก็คือเห็นอาการที่อาการของใจ เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นเมื่อเกิดความเจ็บความปวดใจเป็นอย่างไรเมื่อคนชมใจเป็นอย่างไรเมื่อคนตําหนิใจเป็นอย่างไรเมื่อกินอาหารอร่อยใจเป็นอย่างไรเมื่อได้รางวัลได้โบนัสได้ของขวัญใจเป็นอย่างไรไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะก็คือความจริงนะเป็นความจริงในปัจจุบันขณะที่เราควรมองให้เห็นนะ ผู้เจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคลอนแคลนขอควรพ่อกุญอาการเช่นนั้นไว้อันนี้หลายคนที่มาวัดก็จะจําพุทธพจน์ตอนนี้ได้เพราะว่าสวดมนต์บ่อยมากพเทกรตคาถาผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้งธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านอย่างแจ่มแจ้งไม่จำเต้องเป็นไตรลักษณ์เพราะถ้าเกิดยังมองไม่เห็นไปไม่ถึงก็อย่างน้อยก็เห็นว่าเออโกรธก็รู้ว่าโกรธเสียใจก็รู้ว่าเสียใจ นะดีใจก็เห็นความเสียใจนะเศร้าใจก็เห็นความเศร้าใจนั้นนะตรงนี้แหละคือความจริงแต่ละขณะที่เราควรจะมองให้เห็นหลวงพ่อท่านจะพูดอยู่เสมอว่าให้ดูให้ให้ดูอยู่เสมอนะให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจเห็นอย่าเข้าไปเป็นนะเราสามารถจะฝึกนะด้วยการดู อาการที่เกิดขึ้นกับใจในแต่ละขณะแต่ละขณะรวมทั้งอาการที่เกิดขึ้นกับกายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความตึงความเครียดหรือความเจ็บความปวดที่เรียกว่าเวทนาอันนี้ก็เป็นความจริงที่เราอย่าปฏิเสธหลวงพ่อท่านทูดอยู่เสมอว่าเนี่ยมันสอนเราได้มันสามารถสอนเราได้มันสอนได้ ตาบใดที่เราดูมันตาบใดที่เราเห็นมันมันก็สอนเราแต่ถ้าเราผักสายมันหรือเข้าไปในเข้าไปอยู่หรือเป็นมันเป็นผู้โกรธเป็นผู้เสียใจเราก็ขาดทุนเราก็เราก็ย่ำแยนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกให้เป็นผู้ดูผู้เห็นเนี่ยสำคัญมากนะเมื่อเราดูเราเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจกับรูปกับนามเราจะเห็นความจริงเป็นลําดับ จงกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจเรื่องรูปนามเข้าใจเรื่องตายรักแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเช่นคําต่อว่าด่าทอความพัดภาคจากสิ่งที่รักเช่นเงินถูกโกงทรัพย์ถูกขโมยหรือว่างานการไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่แต่คนรักล้มหายตายจากไปเราก็เราก็ไม่ทุกข์เพราะเห็นว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเอง เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกท่านนะได้ได้ได้ให้มาเห็นเปิดใจให้เห็นสัจธรรมดีว่าด้วยนอกจากการทำความดีด้วยทานด้วยศีล้วก็อย่าลืมภาวนาไม่จาเป็นต้องภาวนาที่วัดเท่านั้นนะภาวนาที่บ้านภาวนาบนรถภาวนาในที่ทำงานก็ได้นะอันนี้แหละคือคำสอนของหลวงพ่อคำเขียนที่น้านได้ปลูกฝังได้ย้ำอยู่เสมอ ปีนี้จะว่าไปแล้วก็เป็นปีแรกก็ได้นะที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกำเขียนไม่มาไม่ได้อยู่เป็นประธานอของสงฆ์ในในการรับกรถินมีบางปีนะที่หลวงพ่อไม่อยู่เพราะหลวงพ่ อ, อท่านไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาแต่ทุกปีถ้าท่านอยู่เมืองไทยนะท่านก็จะมาอยู่กับพวกเราแล้วก็เป็นประธานสงฆ์นะในการทําบุญทอดกรถิน แต่เป็นที่เป็นปีแรกที่ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าที่ท่านไม่ได้อยู่กับเราคือไม่ได้อยู่ในแง่ของรูปกายแต่ว่าท่านยังสามารถจะสถิตยอยู่ในใจของเราได้และหากเราสามารถเชียน้อมนำหลวงพ่อให้มาสถิตยอยู่ในใจของเราแล้วก็ระลึกถึงคำสอนของหลวงพ่ออยู่เสมอว่าให้เป็นผู้ดูผู้เห็นอย่าเข้าไปเป็นนะอาตมาเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยจะช่วย ให้เราเนี่ยประสบความสุขความเจริญแล้วก็ปลอดภัยไกลทุกขแม้ว่าจะต้องประสบกับความผัน ผ, นผนวน ป, ว น, ปวนแปรก็สามารถที่จะก้าวข้ามแล้วก็ลุ่่วงจากสิ่งเหล่านั้นได้ยิ่งกว่า น, นั้นนอกจากใจจะเป็นปกติแล้วเนี่ยยังสามารถจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยความทุกข์ที่ว่า น, นี้มาเป็นครูสอน ให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมจนกระทั่งทําทให้เราเข้าใจสัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งและเมื่อถึงตอนนั้นเราก็สามารถที่จะวางความยึดติดถือมั่นทั้งปวงเข้าถึงภาวะที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างที่หลวงพ่อคําเขียนได้พูดอยู่เสมอในช่วงปชิมวัยของท่านและนั่นแหละนะคือสภาวะลูคนทางเข้าสู่พระนิพพานแต่เป็นความสงบเย็นท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างคุณพระศิรัตนตรยัย อำนวยอวยพรให้กับท่านคณะเจ้าภาพทั้งกระถินและผ้าป่าตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในในงานบุญนี้แม้จะไม่ได้ถวายปัจจัยแต่ว่าก็มีส่วนร่วมในการทำโรงทานก็ดีหรือว่ากา ร, าการสละแรงกายก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าท่านทั้งหลายเนี่ยได้เป็นบุญยภาคีนในบท ในอนุมโมทนาที่จะกล่าวต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่าผู้ใดที่อนุมโมทนาในบุญที่ได้ทำในวันนี้หรือว่าขนขควยนะในการทำงานบุญในวันนี้ที่เป็นการรับทานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผู้นั้นยอมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเรียกง่ายๆคือเป็นบุญจะพาคี แต่นอกจากเป็นบุ ญ, ญาพาคีแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้เป็นธรรมภาคีด้วยก็คือว่าให้บุญกุศลนี่บุนส่งให้ท่านได้มีความเข้าใจเห็นแจ้งในธรรมะเห็นความจริงนะของโลกและชีวิตจนเกิดปัญญาที่สามารถพาจิตออกจากอุปสรรคและความทุกข์ทั้งปวงได้ถึงที่สุดแล้วเข้าถึงความสุขเกษมสา ร, รมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญ